ซึ่งวันนี้เราจะสวดบทธรรมวัดเย็นนะคะหน้าสองหน้าสามแล้วก็ข้ามไปที่หน้าเจ็ดสิบกนะคะอนตะัตตลัคนาสูตรนะคะจากนั้นถ้ามีเวลานะคะเราจะกรวดน้ำจะกรวดน้าตอนเย็นแล้วก็แผ่เมตตากันนะคะ บทสวดนี้ขอให้ทุกท่านน้อมใจนะคะเป็นบทสวดที่สำคัญถ้าทํามาจากคือบทแรกที่ทำให้พระัญญากนทัญญาได้เป็นพระโสดาบันบทนี้ก็เป็นบทแรกที่ทำให้มีพระอาหารห้ารูปแรกอุบัติขึ้นต่อจากพระพุทธองค์นะคะเดี๋ยวค่ะเชนั่งที่ว่างเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรากราบพาพพร้อมกันเลยนะคะกราบกราบกราบเปิดไปที่หน้าสองนะคะ อาราหังสัมมาสัมพุทธะพะควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราหันต์ดับเริงกิเลสเพ่งทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พ้ทธังพระคาวตาอภิวาเทมิข้าพเจ้ า, าอภิวพาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ดินผู้แบกบาทกราบสวาสดโตพระคาวตาธรมโม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 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบหันธรรมยังพุทธสาพาะขาวโตปุพพาคานมาการังการโรมะเซ นามาตาสาพะคาวโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไครจากกิเลสสัมมาสัมพุท ธ, ธาซาตรสรุ้ชอบได้โดย พระองค์เองน้ำโมตัสาภคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธา ตราสรุชอบได้โดยพระองค์เองนมโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสามพุทธะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดไปที่หน้า76็ค mm ่ะเจ็ดหกค่ะหันธรมยานอนัตตะลักขณสุดตังภาณามเซเอวัมเมสุตัง อันข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอวังสมัยยังพคว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาเจ้ า, ามีคาถาเย สเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิะตาณามลุคทายวันใกล้เมืองพารานสีตรัตระโคภควาปัญจาวคีเพกขูอามันเตสิในการนั้นแหลพระภูมิพระพเจ้า ตระเดือนพระภิกษุปัญจวัคคีรูปัางภิกขเว อ, อนาตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนาตารูปปัจจัยทางภิกขเวอัตาอาภาวิสาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็รูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วหน้ายัางรู ป, ปังอาพาทายสังวัตตายรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธลับเพทจะรูเปอันหนึ่งบุคคลพึงได้ในรูปตามใจหวัง เอวังเมรู ป, ปังโหตุเอวังเมรู ป, ปังมาอาโหสีตีว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยย่าสามารถจะโคพิขเวรู ป, ปังอนาตา ภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่รูปนั้นเป็นอนัตตาตาสมารูปังอาภาทายสังวตัตติเพราะเหตุนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาตน่าจะรับพาติรูปเป อันหนึ่งบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปตามใจหวังเอวังเมรูปปโหตุเอวังเมรูปปังมาอโหสิติว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย เวทนาอาณตาเวทนาเป็นอาณตาเวทนาจหิทางพิฆเวอัตตาอภาวิสาดูก่อนพิกสุทั้งหลายก็เวทนานี้จักได้เป็นอัตตาแล้ว ในทางเวทนาอาภาธายสังวัตายาเวทนานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธลับเพจเวทายาอัหนึ่งบุคคลพึงได้ในเวทนาตามใจหวัง เอวังเมเวทนาโฮตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยย่าสามาจากโคพิฆเวเวทนอานตา ภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่เวทานานั้นมีใช้ตัวตนของเราต่สมาเวทานาอาภาทายสังวัตติเพราะเหตุนั้นเวทานาจึงเป็นไปเพื่ออาภาตน่าจะรับภติเวทานาญา อันหนึ่งบุคคลยอมไม่ได้เ ว, เวทนาตามใจหวังเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทน า, ทนามาอาโหสีติว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย สัญญาอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาใจทางพิฆาเวอั ต, ตาอภิวิสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัญญานี้จักได้เป็นอัตตาแล้วในทางสัญญาอาภาทายสังวัตตยะ สัญญานีก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธลับเพทจะสัญญายาอนหนึ่งบุคคลพึงได้ในสัญญาตามใจหวังเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญาม า, าโหสีติสัญญาของเรา ทรงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยย่าสามารถจะขอพิกาเวสัญญาอาณาตาภิกสู ท, ทั้งหลายญญาก็เพราะเหตุที่สัญญานั้นมีใช่ตัวตนของเรา ตาสมมาสัญญาอาภาธายาสังวัตติเพราะเหตุนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาภาธน่าจะรับพติสัญญาาอันึ่งบุคคลยอมไม่ได้ในสัญญาตามใจหวังเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเม สัญญามาอาโหสิติว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขาราอนาต์าสังขารทั้งหลายเป็นอนาณตตาสังขารใจทางพิกเเวอัต ตาอาภาวิสังสุอ ด, ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วในทางสังขาราอาภาทาสังวัตตยุงสัญญาทั้งหลายนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ลบเพจะสังคารสุอนึ่งบุคคลพึงได้ในสัญญาทั้งหลายตามใจหวังเอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาออเหสุนติว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยัสมาสโคพิกาเวสังขาราอนตาพิกสูทั้งหลายก็เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายนั้นมีใช่ตัวตนของเรา าสมาสังคาราอาภาทยาสังวัตติเพราะเหตุนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาภาษน่าจะรับปฏิสังขารเรสุอันหนึ่งบุคคลยอมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายตามใจหวัง เอวังเมสังคาระโหนตุเอวังเมสังคาราม า, อาเอเสุนติว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณังอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณนั้นจะทิทางพิกเขเวอัตตาอภิวิชาดูก่อนพิกสุดทั้งหลายก็วิญญาณนี้จกได้เป็นอัตตาแล้วยิ่ทางวิญญาณนังอาภาทายสังวัตายา วิญญาณนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธลับเพจะวิญญาณเออหนึ่งบุคคลพึงได้ในวิญญาตามใจหวังเอวังเมวิญญานังหหนตุเอวังเมวิญญานังมาอาโหสิติว่าวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยาสมาสะโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่วิญญาณนั้นมีใช่ตัวตนของเรา ตาสมาวิญญาณอาพาทายสังวัตติ त त เพราะเหตุนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนาจารพติวิญญาณเนอหนึ่งบุคคลยอมไม่ได้ในวิญญาณตามใจหวังเอวังเมวิญญาณนังโหตัเอวังเม วิญญาณมาอาโหสิติว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตังกิงมัตยถาภิกขเวท่านทั้งหลายยอมสำคัญความนั้นเป็นชไหนภิกษุทั้งหลาย รูปปังนิจจงวาอานิจังวาติรูปเทียงหรือไม่เทียงอนิจงพันเตไม่เทียงพระเจ้าค่ะยมปานานิจจทุกขังวาตาสุขังวาติสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขั้งพันเต พระเจ้าขา้ายํำปนานิจังทุกข้ังสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกวิปาริณามะธรรมมังมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดากาลังนุ่ตังสมาปัสิตุงควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้น เอตังมะมะเอโสหมามัสสมิเอโสเอโมอาตาติว่านั้นของเราเราเป็นนั้นเป็นนี่นั้นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตหาเป็นอย่างนั้นไหมพระเจ้าค่ะตังกิงมัตยาถาภิกฆเว ท่านทั้งหลายย่อมสำคัญความนั้นเป็นชะไหนภิกษุทั้งหลายเวทนานิจังว่าอนิจจาวาติเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง อ, อนิจจพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค้า ยำปา น, านิจจังทุกขังวาตะสุขังวาตีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้ายำปา น, านิจจังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์วิปารินามธรรมัง มีความปรปทวนไปเป็นธรรมดาการลังนุตังสมานุปาสสิโต้ควรหรือเพื่อจะเห็นสิ่งนั้นมามาเอโสหัมัสสมิเอโสเมอตาติว่านั้นของเราว่าเป็นนั้นเป็นนี่นั่นเป็นตัวตนของเรา โนเหตังพันเตหาอย่างนั้นไม่พระเจ้าค่ะตังกิงมัดยทัพพิกาเวทันทั้งหลายยอมสำคัญความนั้นเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายสัญญานิจาวะอนิจาวาทีสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์วิปรินามะธรรมมังมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาการลังนุตตาสัมนุปาสสิตุงควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นเอตังมะมะเอโซหมะสัมีิเอโซเมอตตาติว่านั้นของเรา เราเป็นนั่นเป็นนี้นั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตหาอย่างนั้นไม่พระเจ้าค่ะตังกิงมัญยาาภิกเขเวทานทั้งหลายยอมสำคัญความนั้นเป็นชะไหนพิกสุทั้งหลาย สังขารานิจาวะอนิจาวะตตสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจาพันเตสไม่เที่ยงพระเจาา้าค้ายำปานานิจังทุกขังวาตะสุขังวาตตสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ทูกค้างผ่านเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยำปานานิจังทุกค้างสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์วิปาริมนามธรรมมั่งประปวนไปเป็นธรรมดาการลังนุตังสามานุปัสสิตุงควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้น เอตังมะมะเอสโหสหา ม, มัสสミเอสโสเมตตาเตหานั้นของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้นั้นเป็นตัวตนของเราโนเหตังพันเตหาเป็นอย่างนั้นไม่พระเจ้าค่าทะท่านทั้งหลาย ย่อมสําคัญความนั้นเป็นชะไหนพิสูจทั้งหลายวิญญาณนิจจังว่า อ, อนิจจงว่าตีวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง อ, อนิจจ์พันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค้ายำปา น, านนิจจังทุกครั้งว่าตังสุขครั้งว่าตี สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยมปา น, านิจังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์วิปาริณามธรรมมังมีความปราปรนไปเป็นธรรมดา การลังนุตาสมนุปสิตุงควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นเอตังมามาเอโสอหมามัสสมิเอโสเมอตตาติว่านั้นของเราเราเป็นนั้นเป็นนี่นั้นเป็นตัวตนของเราโนเหตังพันเต หาเป็นอย่างนั้นไหมพระเจ้าค่าตัดสมาติหาภิกขเวเพราะเหตุนั้นแลพภิกษุทั้งหลายยังกินจิรูปังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอติตังนาคตปปจุปันนังที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดี ปัจจุบันก็ดีอาชาตังวาภัยท่ า, า, าวาภายในก็ดีภายนอกก็ดีโอลาลิกังวาสุขุมังวาหยาบก็ดีละเอียดก็ดีฮีนังวาไปนีตังวาเล้วก็ดีประนีก็ดี ยันทูเรสันติเกว่าอันใดมีในที่ไกลก็ดีในที่ไกลก็ดีสับพังรูปังรูปทั้งหมดก็สักว่ารูปเนตังมะมาไม่ใช่ของเราเนโธหมมะสมิเราไม่เป็นนั้นเป็นนี้ นาเมโสอตตาตินั้นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เอวะเมตังยถาภูตะสัมมาปัญญายาทัตพังคอนี้อันท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ยาการจิเวทานา เวทานายอย่างใดอย่างหนึง่งอาทิตานาคตาปัจจุบันตัที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอ า, อาชตาวาอหิตาวาภายในก็ดีภายนอกก็ดี โอลาลิกาวาสุขุมาวาหยาบก็ดีละเอียดก็ดีฮีนาวาปนิตาวาเลวก็ดีปรานีก็ดียาทูเรสันติเกวาอันใดมีในที่ไกลก็ดีในที่ไกลก็ดี สัภาเวทนาเวทนาทั้งหมดก็เป็นสักว่าเวทนาเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมะสมีเราไม่เป็นนั่นเป็นนี้นาเมโซอตัตตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ เอว่าเมตัญยทาภูตังสัมมปัญญายา ท, ทััพังข้อนี้อันท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ยากาจิสัญญาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอติตานาคตะปัจจุปนา ที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอชาชตะวาพาหิตธาวาภายในก็ดีภายนอกก็ดีโอลาริกาวะสุขุมาวาหยาบก็ดีละเอียดก็ดีฮีนาวาปานิตตวา เลวก็ดีปราณีก็ดียาทูเรสันติแกว้วอันใดมีในที่ไกลก็ดีในที่ไกลก็ดีสัพพสัญญาสัญญาทั้งหมดก็เป็นศักวาสัญญาเนตังมะามะนั่นไม่ใช่ของเรา เนโซหมามัสมีเราไม่เป็นนั้นเป็นนี้นามิโสอตาติกนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้เอวเมตังยถาภูตะสัมมาปัญญายาทัด พ, พัง oh, <yeah. S 1> อันทันทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนั้นเยเกจิสังคาราอาติตานาคตาปัจจุบันนาะที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดี อาชาตาวาไพทาวาลิกาวาสุขุมาวาหยาบก็ด um ีละเอียดก็ดีฮีนาวัปานิตาวาเล็วก็ดีปรานิก็ดียาทุเรสันติเกว่า อันใดมีในที่ไกลก็ดีในที่ไกลก็ดีสัพเพสังคาราสังขารทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นสากวาสังขารเนตังมะมะนั้นไม่ใช่ของเราเนโซหมามัสมีเราไม่เป็นนั้นเป็นนี้ นาเมโสอตตินั้นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้เอวะเมตังยถาภูตะสั ม, มปัญญายทาทัพพังข้อนี้อันท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนั้นยังกินจิวิญญาณัง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอาิตานาคตะปัจจุปันนงังที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอาชาตังวาภิทธาวาภายในก็ดีภายนอกก็ดีโอลาริกังวาสุขุมังวา ยาบก็ดีละเอียดก็ดีหีนั่งว่าปณิตังว่าเล้วก็ดีปราณีตก็ดียันทุเรสันเ ก, เกเกว่าอันใดมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกลก็ดีสับพังวิญญาณนัง่งวิญญาณทั้งหมด ก็เป็นศากวาวิญญาณเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเนโซหมาสมีเราไม่เป็นนั้นเป็นนี้นาเมโซอัตตาตีนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ เอวะเมตังยถาภูตังสัมมปันยายะทาทพังข้อนี้อันท่านทั้งหลายพึงเห็นปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนั้นดังนี้เอวังปัสสังพิกาเวสุตตวาอาิรสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาเรียาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้รูปปัสมิงปีนิพพินทัติยอมเบื่อนายทั้งในรูปเวทนายาปีนิพพินทัติยอมเบื่อนายทั้งในเวทนาสัญญายาปีนิพพินทัติ ยอมเบื่อนายทั้งในสัญญาสังขารเรสุปินิพพินทติย่อมเบื่อนายทั้งในสังขารทั้งหลายวิญญาณัสมิงปินิพพินทติย่อมเบื่อนายทั้งในวิญญาณนิพพินทังวิราชาติตเบือบ่อเบื่อนายยอมใครความติด วิราคาวิมุจาติเพราะใครความติดจิตก็ผลวิมุตตสมิงวิมุตตามิติญาณังโหติเมื่อจิตผลแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าผลแล้วดังนี้ขีนาชาติวุสิตังพระมจจริยังกัตะ การณียังนาปรังอิทตายาติปชชนาติติอาริยาสาวกนั้นยอมทราบชัดว่าชาสิ้นแล้วพรมอาจารย์เราได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเราได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี mm. อิทัมาโวจะพักขาว่า mm. พระภูมิพระพาเจ้า mm. ได้ตรัสพระสูตรนี้จบลง mm. อัตตมานาปัญจวัคคยาภิกขุ mm. พระภิกษุปัญจวัคคีก็มีใจอินดี พากขอว่าโตพาสิตาอภินันทุงเพลิดเพลินพระสิทธิของพระผู้มีพระพาเจ้าอิมาสมิจิจจปานาวัยยาการณะสมมิพันยามาเนก็แลเมื่อวัยาก่อนนี้อันพระผู้มีพระพาเจ้าตรัสอยู่ ปัญจวัคคยานังพิกุณาอนุปาทายะอาสเวหิจตตานิวิมุติจริงสุดีพระภิกษุปัญจวัคคีพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมันด้วยอุปาทานแล้วค่ะนี่เรากรวดน้ำตอนเย็นกันนะคะท่านเปิดไปที่หน้าสี่อ เราจะสวดบทที่หนึ่งและบทที่สี่นะคะหันธรรมยังอุทิศนาทิธานะคาทายโพภานามาเซอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชายาคุณุตาราอุปชาผู้เลิศคุณ อาจารย์ยูปาการาชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาใยญาตากาทั้งพ่อแม่และปูงญ่าสุรโยจนมาสุนทรจาชาุณจันและราชาคุณวันตาณาราปิชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ พรหมมาราจอินทาราพรห ม, มและอินทราชโลกาปาลาชาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลย่มโมมิตรตมนุษย์จายมาราตมนุษย์มิตรมาชาตาเวริกาปิชาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลัน สัพเพสัตตาสุขีหนตูขอให้เป็นสุขสารทุกทัว่วนญาทุกทนปุญญานิปากตานิเมปุญผองที่ข้าธรรมจงช่วยอํานวยสุขผลสู่ขังจติวิทังเทนตูให้สุขสามอย่างลน้น ขีปังปาเปทาโวมต o m งให้รู้ถึงนิพพานพันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอุทิเในาจาและอุทิศให้ปวนสัตว์ขิปปาหังสุระเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัด ตันหุ ป, ปาทานเาเฉธังตัวตันหาอุปปาทานเยสันตาเนน่าธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจอย่าว่านิพานโตมัมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพาทาเยวามาลายสิ้นจากสันดาน ญ า, าชาโตภาเวภาเวทุกทุกพบที่เราเกิดอูชุจิตตังสติปัญญามีสิตรงละาสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมีนาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย มาราลพันตุนโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแกมูมะสิงทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องปทุสรรทำลายล้างความเพียรจมพุทธาที่เป้าวะโรนาโทพระพุทธพูมบวรรนาท ธรรมโมนาโทวรุตตามโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจ้าพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโร ม, มังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตตมานุภาเวนั้นานุภาพนั้น มาเราลาสังละพันตุมาขอหมูม่มานอย่าได้ช่องท้าสาปุญญานุภาเวนาด้วยเด็ดปุญทั้งสิบ ป, ปองมาโอกาสสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเธอค่ะต่อไปแผ่มเมตานะคะหน้าร้อยสี่ค่ะ อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโคโหมิขอให้ข้าพเ จ, จ้าปราจากความทุกข์อาหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเ จ, จ้าปราจากเวร อาหังอภพพยาปชโชหมิขอให้ข้าพเจ้าปราชจากอุปสรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานะปริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขะสุขใจรักษากายวาจาจทุกภัยทั้งปวง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 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอั ต, ตานางปริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเธอค่ะเตรียมตัวกราบพรพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบ